ข้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคู่ต้นตอสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันถาสถาบัาน ท, ท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนาสู่การศึกษาส็บนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา สับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่พังบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําสถานาการณ์น้ําท่วมแหละครับมาพูดมาคุยกันวันที่29่สิบเก้ากันจานนายกรัฐมนตรีลงไปตรวจงานน้ําท่วมเนี่ยไปดูสถานาการณ์น้าท่วมที่ชายภูมินะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาไทยและคณะนะครับไป ไปไปตามติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับนะโดยเฉพาะที่แถวชัยภูมิซึ่งตรงนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าชัยภูมินี่มีประสบภัยสภาวะน้ำท่วมอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าพายุนี่เข้าแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่หลายอำเภอโดยเฉพาะในเขตเมืองชัยยภูมินี่ เป็นน้ำท่วมเน็บสูงเป็นเมตรเลยโดยเฉพาะบริเวณแถวอนุสาวรีที่กลางเมืองชัยภูมินะครับนะก็เจ้าพ่อพญาแลเนี่ยแหละครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของหลายภาคส่วนนี่ลงไปช่วยนะครับะชัยภูมินี่ค่อนข้างที่ที่จะหนักพยายุพัดผ่านจากชัยภูมินี่ก็ไป แถวชัยบาดานลบบุรีนะเป็นเส้นนั้นแครับนะที่ท่วมกันหนักรวมทั้งโคราชนะแถวลำเชิงไกลเพราะฉะนั้นนี่ก็รับปากว่าจะเร่งให้ความนะช่วยเหลือโดยด่วนนะครับโดยจะให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยและส่วนราชการเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ไปไปดูชาวบ้านประชาชนที่ชัยภูมิซึ่งประสบปัญหาอย่างอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของชัยภูมินี่น้ำท่วมทั้งในเขตเมืองได้ก็รอบนอกนะครับนะซึ่งน้ำป่าไนะหลหลากมาจากเทือกเขาภูเขียวภูแลนคาแล้วก็มีเทือกเขาพังเหยนะครับไหลสู่ลำชีนะครับหรือแม่น้ำชีนะครับแล้วก็จะซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายหนักประมาณ 228,000 ไร่ นะครับแล้วก็หนักที่สุดก็เขตอำเภอเมืองแะครับเดย่านใจกลางเมืองชัยภูมิซึ่งน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะประมาณ 68,000 ่ไร่นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็จังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วนะสิบอำเภอนะของชัยภูมินะครับนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองคอนสารเนินสงางบ้านข้าวจตุรัสบําเน็ตตะลงเทพสถิต พักดีชุมพลหนองบัวระเวหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวคอนสารบ้านแท่นนะครับในส่วนของโคราชเนี่ยนะครับก็หนักก็ตรงอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนล่างนะครับที่ผนังอ่างเก็บน้ําแตกแล้วนะครับนะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นาฝายหรือเป็นเขื่อนแตกนะครับแต่ในส่วนของทางชนระฐานก็บอกว่า แค่ชํารุดนะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็ตรงนั้นเราก็อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ลําเชียงไกลแหะครับที่ตบบําบลบรรลังอำเภอนโนนไทยของโคราชน้ําก็ไหลทะลักลงสู่พื้นที่ท้ายอ่างซึ่งเป็นบ้านเลือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับแลก็ท่วมหนักเลยนะครับซึ่งถนนก็ถูกตัดขาดได้รับผลกระทบก็มีตอนล่างของลําเชียงไกลก็เป็นอำเภอนโนนไทยอําเภอนโนนสูงแล้วก็จะมาที่อําเภอพิอพมาย นะครับนะแล้วก็บางส่วนของอําเภอคงซึ่งตรงนี้นายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าการของโคราชก็ได้นําคณะหัวหน้าส่วนนลงไปพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในลําน้ําสะแท้นะครับซึ่งไหลผ่านพื้นที่อําเภอคงอําเภอพิมายนะครับบริเวณประตูระบายน้ําคอนเมืองที่แถวอําเภอคง ก, ก็ต้องจับตามองลําสะแท้นะครับแล้วก็ลํา เชียงไกลนี่แหละครับนะซึ่งตรงนี้นี่จะไหลผ่านอำเภอพิมายไปยังอำเภอชุมพวงนนแดงลำทะเมนชัยบ้านยางแล้วถึงจะมาที่บุรีลำมาลงลำน้ำมูลนะที่ที่บุรีลำนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูแลครับนะว่าทำอย่างไรที่จะให้น้ำนี่ไหลลงมา พี่แม่น้ํามูลแล้วก็ไหลลงไปได้เร็วที่สุดก็จะการท่วมนี่ก็จ ะ, ะค่อนข้างจะลดลงแต่ตอนนี้นี่ยังต้องเฝ้าระวงังแถวพี่ไมยเพราะว่าแถวพี่ไายนี่ก็จะมีโบราณสถานนะครับมีปราสาทถินพี่ไม่ยอยู่ตรงนั้นนะต้องระมัดระวังเลยรวมทั้งตลาดของพี่ไม้ด้วยนะครับนะซึ่งค่อนข้างที่จะจะหนักนะครับซึ่งในส่วนนี้นี่ก็โคราชนี่ยังมีลําน้ําอื่นอีกหลายลำนะนะเป็นลํา แม่น้ำเป็นสายสาขาของแม่น้ำมูลแะครับอย่างเช่นมีลำตะคองอยู่แถวแถวปากช่องนะครับที่ลาตะคองที่จะไหลมาถึงผ่าน อ, อาเขตเทศบาลเมืองโคราชะครับซึ่งก็ก็กกกต้องระมัดระวังะอาจจะท่วมได้เหมือนกันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่และนอกจากนี้ยังมีลำพระเพิงมีลำมูลบนด้วยนะครับนะซึ่งก็จับตา ม, มองกันอยู่นะครับนะว่ า, าถ้า ถ้าเกิดว่าทาน้ําท่วมสูงนี่ก็ต้องมีการระบายก็ต้องเตือนชาวบ้านแหะครับเพราะบางครั้งชาวบ้านนี่เตรียมเตรียมตัวกันไม่ทันนะเพราะราชาการนี่อาจจะไม่ได้มีการเน้นย้ำไม่ได้มีการแจ้งเตือนอย่างทั่วถึงนี่บางบา ง, บางแห่งนี่ขนของหนีน้ําไม่ทันแหละครับนะนึวกว่าน้ําจะไม่มากนะเพราะฉะนั้นต้องมีการกําชับให้กํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นำนะมามาแจ้งชาวบ้าน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับแถวชัยภูมินี่นายสุเทพมณีโชตลองพูว่านะครับนะของขอนแก่นแล้วก็ก็เตรียมรับมือน้ำจากชัยภูมินะครับเพราะว่าน้ำชัยภูมิจะไหลเข้าขอนแก่นแถวตาบลท่านังแนวนะมันจะคีรีนะครับนะก็แถวนั้นนะน้ชีเนี่ยจะไหลมาแม่น้ําชีนะครับจะทไหลมาที่ ขอนแก่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เตรียมรับมือแล้วขอนแก่นนะครับพอตอนนี้นี่น้ำท่วมสูง2เมตรแล้วนะครับนะมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากเลยทีเดียวนะครับเนะพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องได้รับผลกระทบจากชายภูมิเหมือนกันเพราะชายภูมินี่จริงๆก็ท่วมกันแถวอําเภอเมืองเขตเมืองนี่หนักนะครับนะก็น้ําท่วมสูงเป็นเป็นเมตรสเมตรแหละครับนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจะจะป้องกันจะอะไรกัน อย่างไรนะครับนะ่ต้องดูนะครับนะในส่วนของบุรีรัมณีมีการลงไปสำรวจลำลำมาศเหมือนกันนะครับในะประมาณลํามาศมีผลต่อเนื่องมาเนี่ยครัว่าจะทําให้น้ำนี่ท่วมหรือไม่ก็ยังก็ยั ง, ย, งยังไม่ท่วมนะครับยังปกติก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ในส่วนของของบุรีรัมณีนะครับเราฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับท่านประธาน ตาำสองเสียงพา หมดตัวแล้วนะแกแ้วตานะน้ำท่วมผี่ต้องผิดววง พี่วังชอกช้ำพี่ขีดเช้าคำปล่อยให้น้ำท่วมตายดีกว่าน้องอยู่บ้านดอนช่างไม่อาอนถึงพี่สักคราไม่มาช่วยพี่สักน้ำตาไม่มา พูดมาคุยกันต่อนะครับนะก็ตอนนี้ในส่วนของหลายๆจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมกันนะครับนะโดยเฉพา ะ, ะแถวภาคกลางทานนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักละครับนะไหลไปตั้งแต่แถวนครสวรรค์นะครับนะเริ่มเพราะว่าเป็นที่รวมของปิงวางยมน่านนะครับนะก่อนที่จะไหลามาที่อยุธยาและกรุงเทพเนี่ยตอนนี้นี่ก็เริ่มน้ำท่วมสูงนะท่วมชุมชนรอบๆนะ ชุมชนสถานีรถไฟนะครับนะชุมชนเกาะยมนะก็เริ่มท่วมสูงกันขึ้นมาแล้วนะครับนะยมเซนนี่นะครับนะเพราะก็ต้องเฝ้าระวังกันพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะเขตเมืองปากน้ำโพเนี่ยนะนะก็ยังยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ต้องเตรียมเฝ้าระวังกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นน้ำกำลังจะไหลามานะครับนะไหลามาเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องจะต้องดูนะครับนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่สิงห์บุรีนี่ นายณรงศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีสิงห์บุรีก็ให้เจ้าหน้าที่เสริมกระสอบทรายสูงนะครับนะริมน้ําเจ้าพยานะใต้สะพานบางละเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เตรียมรับแล้วครับเพราะว่าน้ำนี่มักจะท่วมแล้วไหลเข้าสู่เขตตลาดย่านเศรษฐกิจเมืองสิงห์บุรีนะครับนะก็เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเฝ้าระวังในการที่จะป้องกันนะครับนะส่วนอ่างทองนี่ก็ในน้าเจ้าพยาสูงขึ้นต่อเนื่องก็ทําให้ผนัง กันน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอป่าโมกนะครับนะก็พังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ทำให้มีการพังวงกว้าง<ม>และน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนะสามร้อยลังคาเรือนก็ห น, นี้กันต้องระดมเจ้าหน้าที่ไปช่วยละครับในส่วนของแถวอ่างทองนะครับที่ เขื่อนป่าศักดชลศิทษิ์ที่ลบบุรีนี่นะก็เป็นแหลง่งรองรับแม่น้ำป่าศักนะที่ไหลมาจากเพชรบูรณ์นะครับนะไหลมาเรื่อยๆนะครับนะลมเกา่าลมำซักลงมานะครับนะแถวเพชรบูรณ์มาจนถึงผ่านลำนาลายลงมาที่ลบบุรีนี่แหละครับนะก็มีมีการเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะาระดับน้ำนี่ก็ยังสูงกันนะครับแล้วก็มีการท่วมนะน้ำท่วมนแถวลนานลายแถวแช่บาดานี่ ท่วมหนักในตอนนี้ยังชะลอตัวแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับนะก็มีกู้ภัยลงไปช่วยกันหลายทีมนะครับเนะพราะท่วมหนักกันอยู่แถวบริเวณนั้นนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนป่าศักดิ์ชนริษย์นะครับนะก็มีปริมาณน้ําประมาณ9ก้ารล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อละเกของความจุของเขื่อนเพราะฉะนั้ น, นก็คงจะต้องมีการระบายน้ําลงมา นะครับนะเพราะเมื่อการปล่อยน้ําน้ําก็จะมาไหลามาที่อยุธยานะครับก็จะส่งผลกระทบให้เกิดการท่วมภายในตรงนี้นี่คงจะต้องมีการระมัดระวังนะนะว่าไม่ให้มีการท่วมได้อย่างไรนี่ต้องควบคุมแล้ครับนะเพราะเขื่อนป่าศักดิ์ชนริตร์นะรวมทั้งเขื่อนเจ้าพญานะครับนะที่มีการกั้นแม่น้ําเจ้าพญากันอยู่ในตอนนี้นี่ก็ปริมาณ น, น้ําจะสูงสุดภายใน 2- อสาวัน นะครับจากการเปิดเผยของผู้ดิ่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนเจ้าพญาตอนตรงนี้นี่ก็จะต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าถ้าสองเขื่อนนี้ปล่อยน้ํากันก็จะเข้ามาที่ทอยุธยาแล้วก็มาที่กรุงเทพนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมกันขึ้นมาได้นะครับในส่วนของนายประทีปเพงตะโกธิบดีกรมศริลปากรก็บอกว่าจะต้องมีการป้องกันน้ําท่วมโบราณสถานริมแม่น้ํา เจ้าพระยานะครับนะเพราะตรงโดยเฉพาะแถวอยุธยาระดับ น, น้ำนี่สูงกว่าสันเขื่อนแล้วนะครับนะก็ต้องมีการตั้งสันเขื่อนกัน้นไม่ให้น้ําไหลเข้ามาท่วมโบราณสถานอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามนะครับซึ่งระดับประมาณ 30- 40เซนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องมีการป้องกันนะครับเพรา่ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะน้ําไหลเข้ามาในโบราณสถานก็เกิดการชํารุดนะ และยังต้องมีการาป้องกันน้ําท่วมแถววัดเก่าแถวอยุธยาไม่ว่าจะเป็นวัดกษัตริยาลานราช ว, วรวิหารนะครับนะหรือว่าหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฮอลันดาแถวแถวอยุทยานี่แหละครับนะวันตรงนี้นี่คงจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่นะครับในส่วนของออหน่วยที่พยากรณ์อากาศ นะครับอย่างเช่นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำของกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็คาดว่าจะมีพายุโลกใหม่นะจะเข้ามาที่ไทยหรือไม่นะหลังจากพายุเตียนหมู่เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องเฝ้าจับตามองในช่วงวันที่5ที่6ตุลาคมนี่แหละครับนะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน ต้องเฝ้าระวังดีๆนะต้องจับตามองติดตามข่าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการและชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธานานต้องขอลาท่านไปก่อนแลวพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ําไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ําใจทนร่วมแก้ปัญหาน้ําเมื่อไรบาหน้าไรโล ถลมขลายลุ่มเจ้าพญาถ้าจีนปิงหวังยมนานยันโคงชีบูน้ำรวมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันร้อยวันพันปีก็มีเพียงครั้งนี้ที่น้ำฝนไหลรีนน้ำพีไหลบ่าหลั่งเลือดล้ำตาสู่แรงว่า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 มากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะ่าวิกฤติน้าไปด้วยกันจะ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพื่อนข้าวสูงตรึงใจสูงกว่าคนไทยทัวร์ลาส่องํารังใจถึงกันซสื้อขาวเสื้ ไปกระสอบฝันต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้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 จวิริตนี้ไปด้วยกันจะพาวิริตนำไปด้วยกันจะพาวิริตนี้ไปด้วยกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกอะติดทุกสถานการณ์